อันมาก็จะคุยสับเพรื่อให้โยมฟังช่วงนี้เราก็สวดอภิธรรมให้องค์ในหลวงมาครึ่งเดือนกว่าแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนที่เห็นได้ชัดก็คือทําให้พระในวัดเนี่ยสวดอภิธรรมได้เพราะธรรมดาวัดเราเนี่ยสวดบนแปรนานานจะสวดอภิธรรมสักครั้งหนึ่งถึงสวดก็กลางหนังสือก็จะสวดไม่ได้ตอนนี้พระวัดเราก็สวดอภิธรรมได้สบายเลย อย่ามาสบายแล้วตอนนี้ถือว่านําส่วดิพิธรรมป๋อเลยนี่ได้ประโยชน์และโยมก็ได้ประโยชน์เหมือนกันโยมบางคนก็ก็ถือว่ามีโอกาสมาร่วมสวดมนต์ให้ได้หลวงได้มาสร้างบุญบรารมีบางครั้งทําที่หอ่อใจก็ไกลพอทำที่ศาลาหน้านี่พอออกไม่ออกบางคนอยู่ใกล้วัดก็เดินทางมาสะดวกทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันมาสวดมนต์กันทุกเย็นทุกเย็น ก็มีผลพลอยได้ได้มาฟังธรรมจากพระใหม่บ้างพระเก่าบ้างอัตมาก็ตั้งใจจัดให้เป็นเป็นที่สบายๆนะให้แบบสลับการพูดอะ่ะพระใหม่บางคนที่ลาธิขาก็ได้มีโอกาสได้พูดพระเก่าบางคนที่ยังไม่ได้พูดก็จะมีโอกาสได้พูดได้เปิดใจได้แสดงความคิดเห็นต่างๆก็หลากหลายถ้าโยมตั้งใจฟังโยมก็ได้ประโยชน์การฟังธรรมมีที่สงห้าอย่างถ้าตั้งใจฟังนะ คือหนึ่งทำให้เราเนี่ยได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจแจ่มชัดยิ่งขึ้นสบรรเทาความสงสัยลงได้สทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องหําให้จิตผ่องใสอันนี้ถ้าโยมจะได้ได้ที่สงองวันทีเลยแต่ถ้าโยมฟังธรรม แล้วก็คุยกันไม่สนใจผู้พูดจะพูดอะไรก็ไม่สนใจอันนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์คือฟังเป็นพิธีตองเฉยไม่ใช่แค่โยมนั้นที่ได้ผลประโยชน์นะแม้แต่คนแสดงธรรมเนี่ยก็ได้ผลประโยชน์ด้วยพระธรรมประกาถึกเนี่ยก็มี5อย่างคือ1ต้องแสดงธรรมแบบไม่ตัดรัดขาดตอน 2. ต้องอ้างเหตุผลแนะนําประโยชเข้าใจสต้องตั้งจิตเมตตาให้โยมเนี่ย ได้รับประโยชน์จากการฟังสต้องไม่เห็นกะรลาบสักการะ5ต้องไม่แสงธทมแบบพูดกระทบตนเองแล้วกะทบคุ้ผู้อื่นอันนี้อันนี้เป็นคุณธรรมของนักแสงธทำแต่นี่สง่งไม่ได้แน่นอนเพราะว่าผู้ผู้ที่พูดธรรมเนี่ยจะต้องไปขวนขวายหาความรู้มาพูดถ้าใครไม่หาความรู้จะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีอะไรจะพูดอะเพราะนักเทศจะต้องมีความรู้อันดับแรกเลย ร, ร, รู้เรื่องรู้เรื่องนี้ ไม่รู้ต้องไปหาหาเรื่องมามาพูเทล้เมื่อไหร่โยมฟังก็จะงงหรือก็เบื่อถ้าพูดเดิมๆซ้ําไปซ้ํามาอันนี้เป็นที่ส่งของนักพูดนักแสดงธรรมแต่ถ้าใครมองไม่เห็นที่สงก็จะพูดธรราแบบขอไปทีนึงแบบไม่คิดหาอะไรมาให้โยมฟังเลยอันนี้ก็ไม่สามารถพัฒนาการพูดได้เลยก็จะทำให้โยมเบื่อผู้ทีไรโยมก็หลับทุกที ที่เราเห็นได้ไดทั่วไปนะว่าพาร์เทนเนอร์ที่พัฒนามีน้อยส่วนมากจะไม่พัฒนาเพราะว่ า, าการพัฒนาจะต้องทุ่มเทจะต้องลงทุนต้องลำบากเหมือนกันจะต้องขวนขว้าหาความรู้หาข้อมูลต่างๆต้ององศึกษาปริยัติไม่ศึกษาเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรมาพูด <S <S บางเรื่องต้องรู้ด้วยตนเองอ่ะต้องนําประสบการณ์ต่างๆมาพูดให้โยมฟังกันและ <S <S สิ่งเหล่านี้จึงเกิดประโยชน์ทั้งตนเองแล้วก็เกิดประโยชน์คนอื่นการแสงธรรมไม่ได้หมายความว่าต้องพูดธรรมะเท่านั้นนะโยมก็แสงได้ จะไปต้อเห็นพระบางครั้งเราฟังคนที่มีทุกข์ได้ระบายเนี่ยก็คือการแส่งทำแล้วให้เขาเมีความสุขบางครั้งเราไปเศษสดผู้ใหญ่สาระบางคนก็ทุกข์ทุกข์มากเลยหายหนออกไม่ได้เนี่ยเราเปิดใจรับฟังเขาเนี่ยให้เขาปลดปล่อยถ้าครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเนี่ยบางทีช่วยเขาได้เลยนะเขาได้ระบายได้ปลดปล่อยไม่ทำให้เขาได้ไม่หนักบางคนคิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็เปลี่ยนแผนไม่ฆ่าก็ได้ บางคนเนี่ยเสียใจคิดอะไรไม่ออกเนี่ยถ้าเราไปพูดปลอบใจให้กําลังใจเขาเนี่ยให้เขาเห็นทางสว่างให้เขามีกำลังใจไม่ท้อแท้ไม่น้อยใจในชีวิตเนี่ยอันนี้ก็มีที่ส่งมากเลยหรือเราพูดธรรมะไม่เป็นแล้วก็แนะนําครูบาอาจารย์อาจารย์ไหนที่มีสมาธิถี่ถูกต้องสอนถูกนะไม่ไปหาอาจารย์ที่งมงายหาหนังสือธรรมะที่ดีๆให้อ่านอันนี้ก็ช่วยได้เพราะว่าถ้าคนเข้าใจธรรมะคนนึงเนี่ยเขาก็จะบอกต่อไป จะได้นําอีกหลายคนเลยความดีก็ต่อบความดีแต่ความชั่วก็ต่อความชั่วเหมือนกันสมมติบางคนเข้าวัดแล้วก็กลายเป็นคนที่เกียดธรรมะเกียดพระก็เอาไปโฆลธนาแหละบอกว่าพระวัดนี้ไม่ดีเลยสอนก็ไม่ได้เรื่องคนก็ลือต่อๆไปเปโดยแพร่หลายความไม่ดีไปด้วยคือบาปต่อบาปบุญต่อบุญอันนี้ช่วงนี้ก็มีข่าวการตายบ่อยวันนี้อาตมาก็ได้ข่าว ของนักร้องชื่อดังสันติดวงสว่างบางข่าวก็บอกว่าตายแล้วบางข่าวก็บอกว่ายังไม่ตายแต่สมองอาตายแล้วเส้นสมองโลยแต่สมองแตกเป็นเบาหวานเป็นไตาวายคือหมอก็บอกว่าจะอยู่ได้ไม่นานคือไม่มีทางรอดอะ่ะอายุครึ่ง4ี่แปเองสันติดวงสว่างคิดว่าพวกโยมหรือแม่ชีคงนายย่าจะรู้จักนะเมื่อก่อนก็ดังเพลงเนี่ยถอนคำสาบานเพลงจูบไม่หวานเนี่ยเสียงข้อหวานอยู่ อันนี้ก็แสดงให้เห็นกว่าไม่เที่ยงนักร้อยคนดีก็ตายไปแล้วแดงจิตรกรก็เป็นนักร้องคนอีสานตายไปด้วยลมประเลงอายุสี่สิบกว่าคนที่มีชื่อเสียงนะไม่วจะเป็นอดีตนายกคือบรรหารศิลป า, าชาก็ตายไปแล้วบุญเอือ้อประเสริฐสุวรรณอดีตประธานสภ า, าก็ตายไปแล้วถึงอแม้แต่วงการกีฬามูฮามัดอาลีหรือคทเตอร์เคเนี่ยก็ตายไปตายในปีนี้ แม่นักมวยไทยชื่อดังอย่างนุกวิทย์เดวีนำนำพลน้องหยีพาุทย์ก็ตายปีนี้นุกวิทย์ตายในขนาดที่อายุ51อยู่ๆก็ตายไปดื้อๆเลยบางครั้งนักบวยจะแข็งแรงนะแต่ความตายเนี่ยมันไม่บอกกล่าวหรอกบางทีเป็นโรคหัวใจก็ตายช็อกตายดื้อๆขนาดซ้อมอะไรเงี้ยลงดวให้คนอื่นส่วนนำพลเนี่ยป่วยเป็นวณโรคตายจากอดีตเนี่ยร่างกายแข็งแรงสูงใหญ่พอ ตอนหลังเขาถ่ายภาพให้ดูนะเหลือได้หนังคุ้มกระดูกผอมแห้งบทสภาพเลยถ้าใครเห็นภาพแล้วจะสังเวชใจเพราะดำพลในเมื่อก่อนเคยต่อยกับสามารถพยะคารุนมาแล้วออกโซ ท, ทัศตเคยโชกับพวกวังจันน้อยเจริญทองพวกนักบวยดังๆเนี่ยยุค ก, ก่อ น, น, กกอ น, นจะรู้จักนําพลเป็นนักมวยเงินแสนแต่ยามที่ตกต่ำเนี่ยทุกคนก็มีช่วงตกต่ํามีช่วงขึ้นเพราะคนเราอยู่ใต้โลกธรร ม, มกว่าไม่เที่ยงมีลาบเสื่อมลาบ มียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาอันนี้ประสบทุกคนเลยเพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนอัลมาก็ไปงานศพของแฟนยมยนต์คนที่ทํางานโรงครัวนี่แหละก็มาคุ้นกันดีแฟนยมยนต์ก็ชอบกินเหล้าคือแกแกชอบแกอย่างนั้นก็ตายเป็นมะเร็งตับตายอายุก็56ปีแกก็สอนทำคนที่ยังอยู่นะให้ไม่ประมาทในชีวิต อามารู้จักหลายคนนะที่เคยกินเหล้าเนี่ยอยา่างอนามาชอบมากคือโกเล้งโกเล้งเนี่ยไม่รู้พวกโยมรู้จักหรือเปล่าเป็นนักแต่งนิยายกําลังภายในชื่อดังแต่งลิทบิสซันลิขิมพวงซาเซียวเอียร์แล้วก็พวกชอรี่เฮียงอะไรพวกนี้เล็กเซลหงเนี่ยแต่ชีวิตขงแกเนี่ยแกติดเหล้ามากเลยกินเหล้าเคานาลีกินเห ล, ล, ล้าจนแบบไอเป็นเลือดอะ่ะจนหมอสั่งห้ามกินน่ย แต่แกแ ก, ก็ก็ด้วยความที่ชอบกินเลยแกก็ไม่เชื่อหมออ่ะก็มากินต่อต่อหลังกินจนตายเลยตายเลยค่ะที่อายุเพิ่งสี่แปเท่านั้นเองตายในขณะขณะที่มีชื่อเสียงตอนที่จะตายก็มีฐานะก็ยังดีอยู่กำลังประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยอันนี้คือตายก่อนก่อนวัยอันควรเพื่อที่รู้ใจก็นําเหล้าใส่โรงมาให้ด้วยเพราะคนเราก็รู้นะอย่างโกเล้งนี่ก็รู้ว่ากินเหล้าจะไม่ดีทําลายสุขภาพ แต่บาดีเขาก็แพ้ใจตัวเองอ่ะคือรู้แต่ว่าทําไม่ได้อ่ะเพราะคนเราจะมีจุดอ่อนต้องแพ้ใจตัวเองมาเชื่อเป็นเกือบทุกคนเลยนะอะไรดีอะไรชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้มันทําไม่ได้บางคนก็รู้ว่าบุหรี่เนี่ยไม่ดีดูไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นเป็นมะเร็งมะเร็งปอดแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดโรคต่างๆอีกมากมายเลยถูกลมปอโปก อ, อย่างเงี้ยแต่คนที่ชอบยมันก็อดไม่ได้อ่ะก็ต้องสูบไปจากตัวผู้พูดเนี่ย ทดลองกัหมดแล้วเมื่อจะไปดูบุหรีกินเหล้าใช้ชีวิตแบบเสเพลองกัหมดแต่แต่ไปมาก็ไม่ติดทักอย่างเป็นคนที่กินเหล้าแล้วร่างกายปเป็นเสษเหล้าก็เลยไม่ชอบอะดูบุรีก็รู้สึกว่าไม่ชอบเหมือนกันก็เลยไม่ติดการนานหนักมากก็ลองเล่นมาหมดแล้วเอาไปาบุกทุกชีวิตแหละเล่นมวยเล่นบอลเล่นไพ่เล่นหลายอย่างทำให้มีประสบ ก, บการณ์ คนที่ติดการพนันเนี่ยส่วนมากจะหาทางเข้าข้างกิเลสตัวเองนะแล้วก็ต้องโลภด้วยบางทีอยากได้เงินที่ได้มันง่ายนักพนันจะโลภแล้วก็สปอร์ตใช้เงินง่ายไม่คิดอะไรเลยคนที่นักพนันเนี่ยจะไม่ค่อยเสียดายเวลาใช้เงินนะจะผิดกับพวกที่เก็บหอมรอมลิษจะใช้แต่ละบาทเนี่ยจะเห็นคุณค่าของเงินแต่มันก็มีข้อดีตอนที่ว่ า, าการที่สปอร์ตเนี่ยทให้เวลาเกิด สูญเสียต่างๆเนี่ยมันปล่อยวางง่ายไม่ค่อยยึดติดเท่าไหร่แต่ชีวิตมันก็ขึ้นๆลงๆมีฟูมีแฟบเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็ได้ทั้งกิเลสเนี่ยถ้าเราตกไปท่าของมันนะชีวิตเราจะไม่อิสระเลยอย่างถ้าเราตกไปท่าของอาหารถ้าเราไปนักบวชนะเดี๋ยวมันก็หลอกเราไปข้างล่างอุ้ยไปหาอะไรอร่อยกินดีกว่าหาข้ออ้างหาวิธีไปจะได้แหละไปกินอาหารอร่อยๆทั้งมือ้อแล้วก็นั่งรถกลับก็ได้มันทําได้หมดแหละ บางคนจีหนังสือพิมพ์สมัยก่อนสมัยก่อนมันยังไม่มีอินเทอร์เนต็ตมาวัดนะคน ท, ที่จีหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็หาเรื่องขับรถลงไปแกล้งขอรหรือพยาไปใช้ภูมิเพื่อเสื้อหนังสือพิมพ์หนึ่งเล่มมามก็ทําได้นะมีมาแล้วกิลเลสไม่เคยปานอีใครัทําได้ทุกอย่างแหะถ้าเรารู้รู้ไม่เท่าทันนะอันมาบวชมานานเนี่ยจะเห็นกิลเลส ต, ตัวเองแล้วก็เห็นกิลเลสคนอื่นเห็นความดื้อคนอื่นเห็นความดื้อตัวเองมาตอนหลังเนี่ย แล้วก็เอาพวกเนี้เป็นบทเรียนไปอาจารย์สอนเราบางครั้งเรื่องคนอื่นเราจัดการไม่ได้หรอกเราเราควบคุมเรื่องของเราได้คนอื่นเนี่ยถ้าเราคิดจัด ก, การเขาเนี่ยอะไรทุกขันทีเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แต่เพราะแต่ละคนก็มีกิเลสไม่เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกันบางคนอาจจะดีเรื่องนี้อาจจะเสียเรื่องนู้นแทนทุกคนเจะหาดีทั้งหมดไม่ได้หายากมากที่จะดีบทสมบูรณ์แบบไม่มีหรอกแต่ก็พออยู่ด้วยกันได้พวกโยมเราสังเกตมามว่า สามีเราภรรยาเราลูกเราเนี่ยญาติพี่น้องเราเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันมันเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันเดี๋ยวต้องขัดใจกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยเพราะความคิดความเห็นจะไม่เหมือนกันกิเลสก็ไม่เหมือนกันจะหาคนที่ถูกคอเนี่ยมีน้อยเพื่อนก็นเหมือนกันหาคนที่ธาตุดียวกันเนี่ยคุยแล้วโอ้โหลงไปหมดเนี่ยอย่างพระเนี่ยเราสังเกตแล้วคบกันได้ธาตุนะไม่ชี้จะบกันได้ธาตุใครมีวิสัยไงก็ไปหาคนอย่างนั้นแหละถ้าใครชอบปฏิบัติธรรม ก็จะไปหาพวกนักปฏิบัติด้วยกันใครชอบพูดมากก็จะไปหาคนที่ชอบคุยด้วยกันใครชอบรถก็ไปหาพวกเล่นรถคุยแล้วถูกคอใครชอบใครชอบฟุตบอลเนี่ยมันก็จะไปหาพวกดูบอลหรือเล่นบอลเนี่ยเพื่อคุยแล้วรู้สึกว่ามีความสุขใครชอบพุทธธรร ม, มก็ต้องหาคนที่ชอบพุทธรรมาด้วยกันถึงจะถูกคอถูกใจไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่อง อาหารนี็เหมือนกันอาหารเนี่ยบางทีทานแล้วบางคนก็ชอบอาหารไม่ตรงกันก็กินด้วยกันก็ไม่อร่อยฟังเพลงก็เหมือนกันฟังเพลงบางครั้งคนที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งบางคนชอบฟังลูกกุ ng บางคนชอบฟังสเติงบางคนก็ชอบฟังเพลงสมัยใหม่บางคนชอบฟังเพลงฝรั่งหรือไม่ดูหนังเหมือนกันนีก็ดูรถยนยมไม่ตรงกันหรอกฉนั้นคนเราอยู่ด้วยกันแบบไม่ขัดแย้งเราก็ต้องแสวงจุดร่วมสะหัวจุดต่าง ถือก็อยู่กันแบบไม่ทะเลาะ ก, กันได้อยู่ก็กลมกลืนน่ยยอมรับกิเลสขึ้นกันแล้วกันแต่ถ้าคนติดดีเนี่ยไปอยู่ไหนก็มีเรื่องหมดแหละเพราะติดดีก็จะสร้างรับเบียบสร้างกฎเกณฑ์ต้องอย่างงุน้นอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยจะมีปัญหาเราสังเกตได้วัดเนี่ยมีผ้าหลายคนเนี่ยชอบตั้งกฎเกณฑ์แต่ทำไม่ได้พระรุ่นน้องอะมาหลายคนอะมาไ ม, ไม่พูดเองแหละสร้างรุ่นสร้างนี่อันนี้ก็ทําไม่ได้นะอันนูก็ทําไม่ได้นะแต่ตัวเองทําไม่ได้มีหลายคน เขาสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาแต่ตัวเองทำไม่ได้แต่เราจะบงังคับภาพใหม่ให้ทำมันก็ไม่มีใครทำได้ถึงทำได้ก็ชู้ค้างชั่วขาวเท่านั้นเองเพราะการอยู่แบบมีความสุขจะต้องไม่มีกฎเกณฑ์แต่ละคนจะต้องจิตอาสาเคยอยู่กับผ้าใหม่เคยเป็นภาพใหม่จนเรามีประสบการณ์เลยว่า mm. เห็นปุ๊บก็รู้เลยว่า mm. ทำแนี้จะได้ผลยงง อ, อย่างนี้อะไรเงี้ยช่วหลานมาก็ไม่ไดไม่ได้ยุ่งแล้วพวกผ้าใหม่ก็ให้พวกพี่เลี้ยงจัดการกันไปเรามีประสบะการณ์ถ้าเกิดเราไปยุ่งกับเขาเนี่ย เขาจะมายุ่งกับเราเหมาือนกันบางเรื่องเราสร้างกฎเกณฑ์อะไรขึ้นมากฎเกณฑ์นั้นก็จะมาจัดเราอันนี้เสรีธรรมของธรรมชาติเลยวัดที่มีระเบียบมากเกินไปเนี่ยอยู่ด้วยความตึงเครียดอันมาเคยอยู่วัดที่เข่งนะวันพานในสัตว์ชีพพาไม่จับเงินฉันมือเดียวห้ามเก็บของไม่ฉันที่กูเด็ดขาดผลปรากฏว่าพาระทเนี่ทะเลกันประจําเลยเพราะจะมีคนเพ่งโทษกันคนนี้ขนาดคุยกับผู้หญิงยังโดเลยหรือบางคนเนี่ยแม่ มาจับขาลูกเห็นลูกเป็นแผลไงก็โดนโจดต้องอยู่ก ร, รมอะทั้งที่เป็นแม่กับลูกนะถือถ้าจะเอาระเบียบเป๊ะเนี่ยอะไรก็ผิดบทแหละอย่ากจามารับของจากเด็กเราก็ไม่รู้เด็กผู้หญิงผู้ชายขนาดขนาดไม่ได้รับกับมือนะมีถุ ง, ม, ถงมีอะไรกั้นอยู่เขายังโจดเลยบอกว่าอาบัตเราก็ไม่ว่าเราก็ต้องปรงคืออะไรก็อาบัตบทะดิบตัวไม่ได้เลยนะเคยเคยอยู่วัดเข้งเมืก่อนพากับแม่ชีจะอยู่ด้วยความตึงเครียดกติกาที่นั่เค้งเค้งคัดมาก ใครไม่ทําตามกติกาเนี่ยครบสามครั้งไล่ออกจากวัดแบบไม่มีเงื่อนไขอตนาเคยฝึกมาแบบนั้นอ่ะฝึกนั่งสมาธิทีงหลายชั่วโมงเคยใช้ชีวิตแบบนั้นมาก่อนจนมีประสบการณ์ประสบการณ์เป็นสอนพอระเบิดมสิบกว่าปีเนี่ยมันก็เริ่มมองเห็นอะไรพวกเนี้ยเพราะบางอย่างธรรมะเนี่ยมันก็ต้องมีประสบการณ์นะอย่างภาพใหม่ภาษา5คิดอีกอย่างภาษา6คิดอีกอย่างภาษาสี่ก็คิดอีกอย่างหนึ่งมันคิดด้วยเหมือนกันหรอกภาษาหนึ่งก็คิดอีกอย่างหนึ่ง แต่ภาษาน้อยจะบอกภาษามากไม่ออกแนละแต่ภาษามากบอกภาษาน้อยออกคือมีประสบการณ์มากขึ้นการปล่อยวางมากขึ้นรู้ว่านี่ถ้ายึดแล้วจะต้องทุกันประสบการณ์จะสอนอย่างอารมาเนี่ยเคยอยู่สวนโมกเลยเคยเรียนปริยัตเกาะหัวทุกวันแหละเมื่อจะเป็นบทธรรมต่างๆธรรมะขั้นสูงพวกฝามว่างตัท ต, ตาปฏิจจสมุปบาทเรื่องธาตุ่องะไรพวกนี้เกาะหัวทุกวันแหละอยู่ด้วยนะ่ะ เอาเรืจริงระดับทุกข์ไม่ได้นะถ้ดับทุกข์ได้ก็ต้องจะต้องมีธรรมของตัวเองอะ่ะบางทีไปยืมคําพูดของครูบาอาจารย์มาใช้ไม่ได้เลยพระใหม่บางทีไม่รู้ไงเห็นหลวงพ่อพุทธทาตพูดเรื่องความว่างตาตาก็เรียนแบบก็ปี้มาเลยเห็นพูดเรื่องปฏิจจา ก, ก็เรียนแบบพอบวชไปนานๆเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยนอกจากไม่พูดธรรมะขั้นสูงแล้วกลายเป็นพูดเรื่องธรรมดาโหลโหลที่สุดเพราะบางทีเราหลอกตัวเองไว้ก่อนอะ่ะ ถ้าคนที่เรียนธรรมะจริงๆจะต้องลื้อบ้านทิ้งอ่ะจะต้องไม่เป็นเสกขีดตัวเองเราเป็นคนยังไงกันแนะ่เราเป็นคนโลภคนโกรธคนขี้ช้าคนใจน้อยขี้เปรียบเทียบอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะหมดเลยถ้าเรารู้รู้จักตัวเองรักนิสัยเหล่านี้ได้ถ้าเราไม่รู้เราละไม่ได้นะเราจะหลอกตัวเองเราจะบองเพ่งข้กคนอื่นว่าคนอื่นแล้วคนอื่นไม่ดีอะไรพวกนี้ยแต่พูกนี้จะเห็นได้ต้องอาศัยประสบการณ์นะบางคนไม่เห็นเลยยนตายก็ไม่เห็นเลย เพราะว่าจิตมันส่งออกข้างนอกมองคน อ, อื่นชั่วหมดตัวเองดีบริแก้ตัวให้กิเลสได้นะเราสังเกตนะคนทั่วไปเนี่ยถ้าคนไม่ฝึกจิตนะไม่เคยเจริญสติไม่เคยเรียนธรรมะเนี่ยจะแก้ตัวให้กิเลสทำก็บอกไม่ได้ทําผิดก็ไม่ยอมขอโทษอะไรเงี้ยถ้าคนที่ฝึกเนี่ยฝึกตัวเองมาเนี่ยทำผิดก็ยอมรับผิดพูดอะไรก็ไม่โกหกแล้วพยายามทําให้คนอื่นมีสบายใจมีความสุขด้วยพยายามไม่ขัดแย้งคนอื่นถ้าไม่มีประสบการณ์เนี่ย มันก็จะเอาผิดเอาถูกอย่างหลวงพ่อมเขียงก็สอนไว้บ่อยนะว่าไม่ให้เอาผิดเอาถูกไม่แใหเ้เอาเหตุเอาผลให้อยู่เหนือเหตุเหนือผลไม่ดวนรับไม่ด่วนปิเศษอันมาก็ว่าจริงอย่างเมื่อก่อนอันมาโควชี้กลัวกลัวการสวดมนต์ที่บ้านมากที่สุดเลยเพราะอัมาเป็นคนที่กินอาหารยากกินข้าวเหนียวไม่เป็นเนี่ยพโยมา น, นี่มนต์ไปสวดมนต์เนี่ยช่วงนั้นวัดป่าสุโกโตวิผ้าน้อยแล้วเราก็สวดไม่เก่งด้วยนะแล้วไอ้ผ้าที่เราจะนี่มนต์ไปสวดก็สวดไม่เป็นด้วย คือเหมือนกันนะลบดีๆได้เองมันก็กลัวทีนี้โยมพอรู้ว่ามีศพมีคนตายเนี่ยหรือข้อนิมนต์เนี่ยมันไปแอ บ, บเลยมันกลัวโยมก็ส่องไฟหาเราไปแอบแต่เราแบบทุกนะถึงถึงเราจะรอดจากการไม่ไปครั้งนั้นอะ่ะพอตอนหลังอนามาก็เปลี่ยนวิธีคิดเลยเราจะต้องไปช่วยโยมส่วนได้ไม่ได้เรื่องส่วนไม่ได้กลางนังสือพอ ค, คิดอย่างนี้ปุ๊บเราอยู่กามสุขบางทีเลยเมื่อก่อนทำระยาตาเนี่ยอนามาก็กลัวเหมือนกัน ถึงเวลาก็หนีอ่ะอนาไม่เดินธรรมยาตางหลายปีมาเดินเอาภาษาห้าโนน่ะคือตั้งจิตกลัวไว้ก่อนเห็นว่าไอ้ธรรมยาตานี่ไร้สาระนะเดินไปตีกงตีกองสร้างความยุ่งยากอะไรหลายอย่างคนก็อยู่กันเยอะแยะหาความสงบ ส, สุขไม่ได้อะไรเงี้ยเพราตอนหลังอนาไปเดินดูเอ๊ะมันก็ดีนีแล้วก็ฝึกตัวเองฝึกให้เราเนี่ยปรับตัวไปไหนก็กางเต็นกลางกฎไม่ยึดติดกระฐานที่กินง่ายอยู่ง่าย ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ง่ายขึ้นมันก็เป็นข้อดีแต่กีเลตมันจะบอกไม่ดีมันมีกะข้ออ้างเมื่อก่อนวัดมีมีการบวชเนร์อาร์บก็หนีทุกครั้งแหละตอนตอนเป็นพระอวกานะมองว่าโอ้โหเนรมันเยอะแยะวุ่นวายหาเรื่องหนีต้องหลายภาษาหลบพอตอนหลังอาร์บาก็ไม่หนีแล้วเนร์น่ะอารากช่วยได้อาร์บาก็ช่วยแล้วก็มีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นนําสวดมนต์เนี่ยอาร์บาก็กลัวสวดมนต์อีกไม่กล้าแสดงออก ตอนนั้นถ้าพันเตไม่อยู่เระทุกข์มากเลยปุงแต่งแบบโอ้โหแบบกลัวสวดบนล่มมากอะไรมากมาคิดตัวเองจิตมันกลัวไหพอตอนหลังเนี่ยเราเริ่มไม่กลัวปุ๊บเนี่ยสวดผิดก็ผิดไม่เป็นไรหน้าแตกก็หน้าแตกเรายอรับการหน้าแตกเนี่ยเราพัฒนาตัวเองได้เลยตอนหลังอันมาไม่กลัวใหม่แต่ก็มีเรื่องเทศเนี่ยเทศเราก็กลัวนะอันมาเป็นคนที่เทศช้าสิปีเหนื่อเทศเพราะกลัวใหม่กลัวการแสดงออกกลัวว่าเทศไปแล้ว แดีราจะเทศไม่ดีนะดีย๋ยจะสั่นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเทศต้องดีที่สุดโอ้โหกว๋วยเทศได้แต่ละครั้งเนี่ยไปหาท่องกรมาเพื่อจะเอาใจโยมเราต้องมีกรมีเรื่องเล่ามีนิทานมีอะไรประกอบเยอะแยะหมดอ่ะกลัวโยมเบื่อเราเนี่ยมันปรุงแต่งโอ้โหแบบเรื่องใหญ่มากการเทศของเร า, าแต่ละครั้งเนี่ ย, เ ด, ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอาณาไม่ค่อยคิดเรื่องนี้แล้วอาณาพูดกับโยมแต่บางทีบางวันไม่ได้เตรียมเรื่องนิทานมาเล่าก็มีอย่างวันนี้ไม่คิดเล่านิทานเลยพูดไปสะเพะละจนจบอะ่ะ เราเ น, น้นอาตาเรามากไปอยากให้ได้ดีแกบางครั้งก็เลยหน้าแตกเพราะก่อนเนี่ยวางอุบางทีวางไว้ไม่รู้กี่กอเลยนะแล้วตอนท่องมันลืมบางทีผิดปุ๊บมันไม่ไหลแล้วตอนหลังหน้าแตกก็เลยขําตัวเองเหมือนกันหรือพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนที่ยอมรับการหน้าแตกแล้วขำได้เนี่ยก็เป็นการลดอัตาได้เหมือนกันเพราะบางครั้งเราไม่สามารถทําดีทุกเรื่องหรอก มันเป็นของไม่เที่ยงอย่างกานมานำสวดมนตเนี่ยบางวันก็เสียงดีบางวันก็ป่วยเป็นหวัดเศรษฐพันคอส่วนล่มก็มีบางวันก็สวดเสียงเพาะเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เทศก็เหมือนกันบางทีเทศเนี่ยวันไหนเตรียมตัวมาดีก็มีที่งทงวิถาเล่าโย่ฟังเยอะแยะหมดเลยวันไหนไม่ได้เตรียมก็อาจจะพูดเลื่อยเปยื่อยสเพระแต่ก็มีประโยชน์นะพอ่อตาบาราพยายามพูดเรื่องจากประสบการณ์ตัวเองอะ แล้ ก, กีเลสเราเองนะบางทีเราข้อข้างกีเลสเราจะบอกคุยอย่ไม่ดีตัวเราเองดีแต่จยิ่งตัวเราเองกาไม่ดีอย่างกมาก็ไม่ค่อยอยากให้ใครมาทําตัวให้ใครให้เด่นอะแบบในวัดเนี่ยไม่คิดให้โยมเยอะ ม, มาว่วงมาไหว้หรือทําตัวน้าถืออะไรหรอกทุกวันนี้ก็อยู่แบบอยู่แบบสบายๆคุยกันเองกับโยมไม่ได้ไปเค้งไม่อะไรอันนี้เป็นที่นิสัยพอถ้าเราใช้ทิสัยแบบง่ายๆเราก็ไม่แบกอะไรมากแต่ถ้าเกิดเราวางฟอร์ม เราจะต้องสร้างภาพลักอะไรมากมายเลยแหละอาจารย์ไปสารมาระบาดถ่ายรูปบางทีก็ต้องอัดวิดีโอยงลงยู u ูบอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ค่อยสัรว่าหรอกวิ่งไปวิ่งมาแต่ไอ้ฟาร์มไม่สัรว่ราระบาดเนี่ยก็มีผลงานมีรูปมีอะไรเยอะแยะหมดเกิดจากการที่เราไม่สัรวารอกวิ่ปวงาตไม่ัว่าร เ, เนี่ยก็ย่างกนมีร้อดีะและข้อเสียจากกี่ถ้าใช้เป็นก็เกิดประโยมน์ใช้ฟาร์เกิดโทษรว่ระบาดเนก็มีผลงานมีประโยชน์ดเกท่เาน พอรูปต่างๆที่เรามาถ่ายไว้เป็นหลวงพ่อมเมขี๋อาจารย์ไปสารเนี่ยภายภาคหน้าเนี่ยมีประโยชน์มากเลยแหละเพราะไม่มีใครเก็บภาพของอาจารย์ไปสารได้มากเท่าแต่มาแล้วคนก็นําไปใช้กันเยอะแยะหมดเลยไม่ว่าจะไปทําหนังสือทำทำแผ่นซีดีเอาไปทํำอะไรต่างๆอ่ะมากมายเลยลอันนี้เกิดประโยชน์จากตอนนี้ตอนแรกที่เร า, เ, าเรากลัวนะกลัวรู้นกนีนนน่จนตอนหลังกลายเป็นกองหน้าเลยกล้าทําในสิ่งที่ไม่กล้าก็หลายปีที่ผมาเขเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเยอะ เมือันก่อนนู้นอะอาณมาเป็นหวัดนะน้ำมูกไหลทั้งวันเลยเพราะอากาศมันเปลี่ยนน้ำมูกไหลจะลำคาเนี่ยกินยาสุริดินเม็ดหนึ่งแล้วกินทิฟฟี่อีก2เม็ดพูดถึงตอนกลาตอนเย็นนะกลางคืนก่อนนอนแล้วกินสุริดินอีกเม็ดหนึ่งน้ำมูกก็เริ่มเริ่มแห้งนะแต่คืนนั้นน่าเกือบตายเพราะว่าหายใจไม่ออกเพราะว่ายาเนี่ยมันเปบีบให้น้ำมูกเนแห้งฝังทางลมทางเดินหายใจอย่างคืนก่อนนู้นอาณามาคิดว่าตัวเองอยู่ใกล้ความตายมากเลยความตายเนี่ย ไอ้พุ่มนี้กับชาติหน้าเนี่ยอันไหนมาก่อนเนี่ยที่อาจะรยาพิสัยพูดบ่อยอยู่ใกล้จริงๆนะความตายกับชาติหน้าเนี่ยถ้าหายใจไปออกก็ตายหายใจหายใจออกก็อยู่อ่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุนะไม่ใช่ว่าอายุน้อยจะต้องตายทีหลังคนแก่นี่ไม่ใช่อ่ะถ้าเหตุไม่จะถึงขั้วตายก็ต้องตายอ่ะความตายอยู่ใกล้ใกล้มากเดินไปอย่าโดยงูกัดตายก็ได้ต้นไม้หล่นใส่หัวตายก็ได้มันก็จะบะกหมายแล้วกันเพราะความตายมันถึงใกล้ตัวมากเลย ะพูดมาก็เห็นว่าสมกวยกับเวลาสุดท้ายนี้ข อ, อญาตโยมมีความสุขความเจอทํามจยิ่งขึ้นไปขอจบลงแค่นี้